ไปแล้วเราคุมตัวเองไม่ค่อยได้ก็ปล่อยสเปชุะปะเวลาเราเข้าที่อย่างนี้เราก็พยายามตักตวงเอาหรือตั้งใจเอาวันนี้มีใครช่วยตั้งใจเราได้หรอคนอื่นคนอื่นก็เพียงแต่บอกเท่านั้นแหละเราก็ตั้งใจเอาเองหัวใจของใครของใครตั้งเอาเองหัวใจของใครของใครตั้งเอาเองคนอื่นไปตั้งแทนไม่ได้ ตัวเองอัตตปัจจัยเราสามารถจัดจัดแจงเราได้คนอื่นภระปัจจัยแปลว่าอื่นภระแปลว่าอื่นปัจจัยอื่นเป็นแต่ปั จ, จเป็นปัจจัยเสริมเข้ามาเท่านั้นเองช่วยบอกช่วยแนะช่วยชี้ถูกชี้ผิดช่วยดุช่วยว่าคําดุคําสอนมันมีทั้งคําดุคำดา่า อบรมบ่มเพาะนี่ที่เรียกว่าอบรมทั้งบ่มทั้งเพาะทั้งทุบทั้งตีอบรมบ่มเพาะคนอื่นก็เป็นแต่ปรัปัจจัยเท่านั้นแหละตัวเจ้าของเองที่จะอบรมบ่มเพาะตัวของตัวเองในเมื่อโอกาสอำนวยนสําคัญสาคัญมากใช้คําว่าอบรมบ่มเพาะตัวเองนี่แหละ ปลุกฝังตัวเองทักเตือนตัวเองสั่งสอนตัวเองเขียนตัวเองตีตัวเองด่าตัวเองยกย่องตัวเองชมเชยตัวเองให้กำลังใจตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถมาตรงนี้เน๊ะคนอื่นบอกก็เอาเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไม่ได้ไร แต่คนอื่นท่านไม่เสียประโยชน์คนอื่นท่านได้ประโยชน์เพราะคนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมีคนรู้เรื่องมีมีคนได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีมีคนสนใจมีมีคนฟังแล้วก็ะยิมยิ้ ม, ย, มย่องก็โอเาใจนมีช่วยเพิ่มกําลังใจให้กับเขาเนี่ยมีแต่เรามีหรือเปล่า สำคัญนะถามมาที่เราเรามีหรือเปล่าเราตั้งใจไหมโลกศรัทธาภาษาธะให้เกิดขึ้นมีขึ้นศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสเมื่อเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสวิริยะความภาคความเพียรเพื่อที่จะประกอบให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นเหมือนอย่างท่านมันก็มีกิจิตกิบใจ ที่จะตั้งอกตั้ใจทนให้เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเรายังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนี่มันไม่เรื่มใสศรัทธาศรัทธาจึงเป็นสะพานเชื่อมเพราะใครไม่มีศรัทธาก็ไม่มีอะไรพาดเข้ามาเชื่อมเข้ามาเชื่อมเกยเพื่อจะเดินข้ามไปอาสัยศรัทธาข้ามมาข้ามมาได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาโออย่างนี้อย่างนี้ดีนี้ ดีกวา่าอย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นเหตุที้เราต้องตั้ง อ, อกตั้งใจทำเพราะเราอยากได้เราอยากดี mm. เราอยากมีเราอยากเปลี่นเหมือนท่านเราก็ตั้ง อ, อกตั้งใจทําคนอื่นตั้ง อ, อกตั้งใจแทนเราไม่ได้หรอก mm. นอกจากเขาบอกแล้วเขาก็ว่าเขาก็ดุเขาก็ด่าเท่านั้นแหละดีไม่ดีเครียดเติมเข้าไปอีกโทษเพิ่มเข้าไปอีกล่ะ คนลำบากนะถ้าขาดศรัทธานี่ถ้ามีศรัทธาแล้วคนที่ฟังอย่างเหมือนอย่างฟังหลวงตาฟังรูเรื่องยิ่งดาก็ยิ่งชอบยิ่งดุยิ่งด่ายิ่งว่ายิ่งกล่าวยิ่งชอบว่าจะขอโชคดีซะอีกแต่ถ้าท่านไม่เอาด้วยก็คือท่านเฉยท่านไม่เชื่อมท่านไม่ทอดสะพานอไม่ทอดสะพานเข้าเพื่อเข้ามาดูมาว่ามาด่า ท่นเฉยเฉยจะเป็นอะไรไปอ่าเฉยจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าหากท่านยังดุยังด่ายังว่ายังกล่าวยังตักเตือนก็ถือว่าท่านยังเมตตาเนี่ยคนที่ฟังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าฟังไม่เป็นก็พูดผิดหูก็หมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวพูดผิดหูก็หมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวเหมือนลูกศิษย์พระมหากัะสปานเลย เผากติหนีแค่อาจารย์ว่าให้เท่านั้นแหละเป็นคนขี้โกงด้วยนะลูกศิษย์พระมหากรสปะเนี่ยเวลาต้มน้ําตอนข้ามสองน้ําเนี่ยลูกศิษย์คนอื่นเขาต้มอ่าพอน้ําเดือดแล้วอะไรแล้วตัวเองไม่ทําอะไรนะไปนีมน่มลได้เวลาแล้วครับผมอนี่มนสองน้ํานีมนสองน้ําได้เวลาแล้วครับผม เอาเปลี่ยนมือยังงั้นแหละทุกวันทุกวันทุกวั น, วนไม่เอาวันหนึ่งหมูหมูเขาหมูเขาเล่นแงได้สินี้หมูเขาเล่นแง่พอก็ต้มเดือดพอก็ต้มน้ําเดือดนะพอก็ต้มน้ําเดือดเขาก็ไปเทออกมันเหลืออยู่คนหม้อบ้างพอไปพอหุยฮุ ย, ยขึ้นมานี่ยเละพอมีไอ้ไยนิมนต์ได้เลยน้ํนาเดือดแล้ว ควันขึ้นกระมงไปในมวนแล้วนมวนได้ที่แล้วในมวนส่งน้าํากระผม <c oughs> เลี้วไปเลี้วไป <c oughs> ไปเปิดดูมีแต่หมอเปล่าห <c oughs> นือเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเขาเล่นแง่คนแบบนั้นก็ต้องเจออย่างนั้นนั่นคนแบบนั้นก็ต้องเจออย่างนั้นคนมีแง่มีงอนมีเลื่อมีเหลี่ยม ตั้งใจจะทำทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่ทำค่อยๆเอาหลักชีโรยหน้าอย่างนั้นเอาผลงานที่เรากินผลงานของคนอื่นเอาไปก็เลยม า, าว่าเด้ไปบอกพรอมหากัสปพระมหากัสปะกก็ให้เตอมมีนด้ทีนี่นเขียดเลยเขียดเผากุฏิแล้วหนีนั่นร้กาศไหมกิเลสมันไร้กาศมาก เอาบปนั้นเละเอาแบบนั้นก็เอาไปจีนั่นแหละไปไหนไม่ได้รอกเอาไปจีดึงลงเลยลากตีนลงเลยแหละแผ่นดินแยกเอาไปจีลากลงเอาไปจีเลยแหละคนไม่มีศีลไม่มีธรรมหัวใจโลดเลยมีความโลภโลภไม่มีเกณฑ์ไม่มีประมาณเอาเปรียบคน นี่เราพูดถึงคนที่ไม่ตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเป็นอย่างนั้นก็อยู่กับอาจารย์ด้วยกันนั่นแหละ ไ, ไอ้คนหนึ่งทำไมเขาดีตัวเองทำไมไม่ดีไอ้คนอื่นทำไมเขาตั้งใจตัวเองทำไมไม่ตั้งใจเราฟังอันนี้เป็นอุปมาว่าโอ้เขาดีเหมือนกันโอ้คนเขาได้เขาดีเขามีเขาเป็นเพราะเขาทำเรานี่ไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่เป็นก็เพราะเราไม่ได้ทำ ทั้งทั้งที่มีเรี่ยวแรงที่จะทำได้แต่เราไม่ทำอันนี้คือเสียโอกาสอันนี้คือเสียโอกาสการเสียโอกาสแบบนี้เสียโอกาสระดับพบระดับชาติเพราะมันจะย้อนคืนไปเก็บโอกาสแบบนี้มันย้อนคืนไปยากมากมันย้อนคืนไปเก็บโอกาสแบบนี้มันย้อนคืนไปยากตั้งตัวได้คิดได้อะไรได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเอามันเดี๋ยวนี้สดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ตรงนี้มัดขบเจาะขุดถ้าเพื่อฆ่าฟันกับฆ่ามันล่นกิเลสในใจของเราฆ่ามันใช้วันละกิเลสใช้คำวันละบางทีลงตาท่านพูดให้ถึงใจท่านไปใช้คำว่าฆ่าฆ่ามันอยู่มือ โยมือต่อก้อนกับมันเอามันน้นโยมือข่ามันตายขามือ<ย>แต่ภาษาอันนั้นจริงๆเขาใช้คำว่าละคำว่าละนี่ก็เป็นภาษาสมุติก็ททำให้เราเข้าใจง่ายอีกเอออันนั้นเกิดอันนั้นเกิดขึ้นกันละอันนั้นเกิดขึ้นกันละอันนั้นเกิดขึนนนน้นกันล ะ, นนนนนละแต่วิธีปฏิบัติจริงๆมันตรงมันความ วิธีปฏิบัติจริงๆต้องดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจพลิกดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรกันแน่เพื่อไม่ให้มันสงสัยถ้าหากไม่สงสัยแล้วมันก็ละเข้ามันเองมันไม่สงสัยมันประกอบไปด้วยเหตุประกอบไปด้วยปัจจัยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจแล้วมันละเข้ามันเองไม่ไม่ต้องบอกให้เลิกมันก็เลิกข้อมันเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยมันปล่อยข้อมันเองไม่ต้องบอกให้ละมันละข้อมันเอง มันหิมันหากมีขณะหนึ่งมันบอกว่าเราฟังเทศหลงตาไปจําพวกเราเข้าใจอือีกคือการชำระกิเลสหนึง่งไว้ใจกิเลสพิษสองข้างมันมันรุนแรงดื้อด่านขนาดนั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกไม่เอาเผาตีแล้วหนีใช่ไหมฟังดูว่าไปตายไปตกนรกเอาไปจีนนั่นแหละลูกศิษย์คนนั้น่ะลูกศิษย์ขี้ดื้อคนนั้น พระมหาการะจละท่านเป็นพระมหาสาวกมีคุณธรรมเกือบเทียมเทียบเทียมเทียมกับพระศาสดาสมาพิจารณาการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายได้เกือบรองรองลงมาจากพระพุทธเจ้าผู้ที่มีผู้ที่มีญาณละเอียดลึกอพระมหากาสัสจละนี่แหละ สามารดนั่งพิจารณาดูกรรมของตัวเองกรรมของคนอื่นสัตว์ตัวนั้นสัตว์คนนั้นมนุษย์คนนั้นทําบุญอย่างนั้นทํากรรมอย่างนั้นเกิดมานี้ได้มาอยู่ดีมีสุขอย่างนี้เกิดมาชาตินี้มาทุกข์มายากมาลําบากอย่างนี้ด้วยกรรมนั้นด้วยกรรมนั้นกรรมนั้นกรรมนั้นแล้วมาใน้พบปัจจุบันนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พว้หนึ่งก็ตั้งอกต้องใจใคร่ครวญตีตอนตัวเองเข้าหา หลักของศีลของธรรมหลังจากนี้ไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเปน็ปนป น, นู่นเป็นนู่นเป็นนู่นท่านมองทะลุไปอย่างเงี้เหมือนพระพุทธเจ้าคนนี้ชั่วลาอย่างเนี้ยอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุกรรมเก่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหลังจากนี้มา ก, ก, กรากโลกโส อ, อยู่อย่างนี้หลังจากนี้ไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกบกไห ม, มอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมองเห็นทะลุปุโลงหมดนี่พระพุทธเจ้าเราเรียกว่าจะโตจะโต จตุปปาตยาน์ยานรู้จักการจุติเกิดของสัตว์จุตุปปาตยานภาษาธรรมะท่านใช้คําว่าจุติจุติจุติแปลว่าเคลื่อนมันเคลื่อนที่อย่างเคลื่อนจากมนุษย์ก็ไปเกิดบนสวรรค์เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นนั้นก็ไปหาชั้นนั้นเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นนั้นกัตกนรกไปชั้นนั้นท่านเรียกว่าเคลื่อนจุติแปลว่าเคลื่อนจุติทักเคลื่อนมหามนุษย์ จติแล้วก็ปฏิสนธิอ่าเพราะมันมีคันจะต้องเข้าไปอยู่ในคันอจุติและปฏิสนธิแต่ถ้าไปเกิดเท ว, เเทวดาไม่ต้องมีปฏิสนธิเกิดไปเกิดผุดขึ้นเลยจะเรียกว่าโอปะปาติกะกำเนิดผุดขึ้นอชาลาพุชอะอมนุษย์เนี่ยตระกูลชาลาพุชะเกิดในคันต้องไปเข้าในคันซะก่อน แล้วก็มีขันห้าออกมาแล้วก็มีขันห้ารูปประคันก็เป็นรูปประคันอาการของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของจิตเป็นขันทั้งสี่เป็นรูปประคันเป็นเป็นรูปประคันเป็นรูปประคันคือเป็นขันที่ไม่มีโรคมันเป็นกิริยาอาการของจิตรวมเป็นขันห้าอันนี้ จะต้องาเกิดในชลาพุชะกําเนิดนะแต่ประเภทโอปปาติกะกําเนิดเนี่ยไม่มีคําว่าปฏิสนธิมีแต่คําว่าจุติจากชั้นนั้นไปชั้นนั้นจุติจากชั้นนั้นมาอยู่ชั้นนั้นจุติจากชั้นนั้นมันอยู่นั้นทะเลาเคลื่อนแปลว่าเคลื่อนโลนเห็นพระมหากษัตริย์ลูกที่เจ้าก็เหมือนกันที่พระองค์บรรลุธรรม ในยามทำกลางยานม่ยานยามทำกลางจะตูปปาตาญาณจุตูปปาตาญาณยานรู้จุติการเกิดของสัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตอนเห็นพบชาของตัวเองก็ปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกไปทลายเห็นพะเห็นชาของตัวเองเกิดชานั้นเกิดชานึ่งเกิดอย่างนั้นอยู่ได้กรรมอย่างนั้นนานเท่านั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นนั้นตาย เห็นไม่จบถอยไปทั้งหลายเห็นหมดพิจารณาถอยไปไกลไปทั้งหลาเห็นหมดถอยไปเห็นเป็นกลับๆเป็นวิวัติกับมากมายเห็นย้อนไปทั้งหลาเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดถ้าเราจะเที่ยวกันเมือมือพระองค์นยาวลวงลึกไปทั้งหลายได้หมดพระญาณอย่างรู้ของพระองค์ยาว ล, ลึกไปได้ทั้งหลายเห็นหมดโอ้เบื่อหนายในปบชาติเนาะมีแต่เกิดก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย ทำกลางอีกทำกลางอีกก็เห็นการเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายโอ้สัตว์ทั้งหลายก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายพิจารณาดูแล้วโอ้โดยกรรมกรรมก็คือการกระทําเกิดตายคืออำนาจของกรรมตามบุญตามกรรมเอ่อเบื่อหน่ายโอ้เบื่อหน่ายพบชาติเนะี่ยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นะเพียงแต่เพียงแต่ ย, ยาน เกิดขึ้นปุเพนิวาสานุสติญาณนี้ก็ยังเป็นปุถุชนก็สามารถมีได้ในสมัยพุทธกาลก็มีหลายคนศา ส, สนาอื่นก็มีลึกชาติได้ลึกชาติได้เป็นปุถุชนนะยามที่สองยามที่สามถึงได้รู้ว่าเจ้าของเนี่ยทำอาสวะให้หมดสิ้นไปจากคันดสันดานอาสวะขยายานเนีย รู้ว่าอาสวัคเกเรตในใจของเจ้าขาหมดไปมียานอย่างหนึ่งบอกโอ้ยชาเรหมดแล้วภพเราหมดแล้วเราไม่ต้องไปเกิด อ, อีกแล้วอกองกรรมกงเวียนเราได้หักลุ่มหักลอหักกรรมหักกงเวียนของวัฏจักรได้เสร็จสิ้นแล้วนะถ้าเป็นเรือนก็เราได้หักเรือนยอด ของเจ้าอาวิชชาได้หมดแล้วผู้ที่ทําเรือนให้ก็คืออวิชชาเพราะทำลายอาวิชชาในหัวใจหมดแล้วอสวรรคย์ข ย, ยานี่แหละเป็นเครื่องบอกว่าอาวิชชาเนี่ยหมดไปจากหัวใจหมดไปจากระไทยแล้วมันลุกแล้วพอใจยินดียินดีนดพอใจพอใจพอใจคนที่พิสูจน์เพื่อความ สมหวังเนี่ยเวลาสมหวังขึ้นมามันก็เกิดความพอใจเกิดอุปาเกิดอุทานเกิดอุทานนะยินดียินดีนดพอใจพอใจพอละพอละไม่มีพบไม่มีฌานอีกแล้วนี่ยามยามสุดตรัสรายามสุดท้ายนี่เราพูดถึงพระมหากรส ป, ปะเลยพูดถึงพระพุทธเจ้า เลยพูดถึงพระยานอย่างรู้ของพระองค์ตั้งแต่ปฐมยามมัชชิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามยามสุดท้ายบรรลุธรรมในวันเพ็ญในวันกลางเดือนเดือนหกเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าเอกในโลกทสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะอิมเอบสี่สิบเก้าวันไม่ต้องฉันเนียหลยังจากบรรลุธรรมแล้วสี่สิบเก้าวันไม่ฉันอิมอยู่อย่างนั้นแหละ สวยวิมุตติสุขอยความสุขที่เกิดขึ้นจากการหลุดพ้นจากครงขางของกิเลสตัหาอสาาวาตี่เรียกว่าวิมุตติสุขสวยวิมุตติสุข อ, อยู่รอบๆต้นโพนั้นแห ะ, ะเสด็จไปที่จงกรมบ้างสเสด็จไปตุนจิกบ้างสเสด็จไปต้นสักมุจลินบ้างสเสด็จอยู่เรือนแก้วของเทวดาบ้าง จนกว่าจะครบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสีสิบเก้าเจดเจ็ดเจดเจสี่เกาเจ็ดสัปดาเจ็ดสัปดาเจ็ดสัปดามัง้งถึงในชั้นชั้นสมองจากนั้นใครเอาพละไหวเนาตบปุษสัพพลิกะมัง้งเอาเข้าวสตุผงสตุก้อนไปถวายคนแรก ที่ว่าเทวดาเคยเป็นสหายกันเนี่ยบอกว่าเห็นว่าผู้ที่เจ้านี่ไม่ได้ฉันมาตั้งแต่สไม่ได้สวยผัสหารมาพระกาหารมาตั้งแต่บรรลุธรรมมาแล้วเนี่ยสวัวิมุติสุขอยู่อย่างนั้นแหละไม่หิวไม่อะไรละไเลยหิวเอ๊ะเต็มเอึ้งตึงอยู่นั่นแหละมโนฮะไม่หิวไม่อะไรเละเดินยังกลมอยู่นั้นแหละพิจารณาธรรมนั้นแหละพวกเทวดาไปอาราธนาพระมาจาโกากับตอนนั้นแหละ พวกนางตันหาราคาอารดีเนี่ยไปเผชิญกับตอนนั้นแหละพระองศ์บรรลุเลยนะตันหาราคาอารดีเนี่ยที่ไปเผชิญพรงศ์เนี่ยพงศ์ได้บรรลุแล้วแต่ว่า อ, อพยามานน่ะนะพยามานอะไรตอนนี้ตอนหัวค่ํายังไม่ได้บรรลุตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยพาพลพักไปต่อก่อนกับผู้ได้เจ้าอ๋อ ไปตอกกกับพระพุทธเจ้าไปใช้อบายใช้วิธีใช้ระเบิดใช้กระสุนใช้อะไรใช้หอกใช้อะไรสารพัดยกทหารยกโยธาไปเต็มไปหมดพุทธิจะไปปราพระองค์พอไปประลองอาวุธอะไรอย่างไปแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะไประคายเครืค่องพระองค์ได้เพราะคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยมา ห, ห่อห่มพระองค์แพ้บารมีของพระองค์หมดอะไรไปก็ ตกไม่ถึงตัวอะไรประกตกไม่ถึงตัวตาเหลือกแล้วทนนี้พยามารตาเหลือกเนี่ยเราไม่ใช้ด้วยคนเราก็เอาด้วย อ, อุบายบ้างอะไรตูด้วยท่าตูพระสมณโคดมออวัชรอาจวัชรอาจเนี่ยคืออาสนเพรเนี่ยบันลังที่พระองค์นั่งอยู่เนี่ยเป็นของเราลุกออกเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ผู้ใเยาวยังไม่ได้บรรลุธรรมนะมองข้ามไปตู่ว่าเป็นของตัวเองบอกว่าอาบัรลังบันลังนี้เกิดขึ้นเพราะบา ร, รมีของเราเอา๋อเรามีไปจักพยานเต็มไปหมดนีนนน่แล้วแล้วท่านน่ะใครเป็นพยานของท่านน่ะอา้าวแมโธรณีเลยโผล่ขึ้นมาลเลยเลยกราบทูลว่าแม้แต่การทำบุญให้ทานที่พระองค์ทาแล้ว หยาดน้ําลงไปในดินเนแค่มาติดอยู่ที่มุ้ยผมของเขาเนนิดหน่อยแค่นี้แหละเขาก็เล่ า, <c oughs> ล เ, าเออเอามุ้ยผมมาบีบบีบบีบให้น้ำดูให้ดูน้ำนํำน้ำมันทะลักออกมา <c oughs> พญามาร น, นี้ก็เจอกระจึงไปหมดเราสังเกตดูว่าพญามารยกทัพมาปราบเพื่อที่จะมาปราบพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดานี้หมดนะเทวดานี่กลัวพญามารเทวดาที่เคยไปห้อมล้อมนั้หนีหมดเลยพยายามดูตามตำนานนะ แยวด้านนี้หมดตลอดเปิดเปิงไปไหนหมดไม่รูมาอีกครั้งกันหนุนตอนมารัตนาลูกท้ามหาพรหมรัตนาไอพระองค์ไปแสดงธรรมโปรดเปลียนไยศัตว์ทั้งหลายคนที่มีกี่เลตหนกกี่เลตน้อยก็ยังมีอยูอ่คนที่มีทุลีละอองในตาเบาบางก็ยังมีอยู่พอที่จะรู้ทั่วถึงในธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ พระองค์ก็เลยปรงใจเออเราปรงใจที่จะสอนเนี่สี่สิบเก้าวันเกิดขึ้นในตอนนั้นแหละเกิดขึ้นในตอนที่ได้บรรลุแล้วแต่พวกพญามารไปเผชิญนั่นทีนี้ตอนพรองได้บรรลุไปแล้วเนี่ยอพญามารก็ยังไม่ยอมให้ลูกสาวไปตั้งตัณหาราคาอารดีออืเอารูปโฉมนี่ไปล่อเพื่อที่จะให้พระสมณะขดมอยู่หมัดแหละท่านนี้ ก็ตอนนี้เพื่อนบรรลุเพื่อนบรรลุแล้วบรร่อุอะไรทั่ถึงหมดแล้วแหละจะทำอะไรพระองค์ก็ไม่ได้จะล่อโดยอย่างนั้นล่อ้ดยอย่างนี้พระองค์ก็ไม่สนความพนันยินดีในเรามันไม่มีแล้วเธออย่ามาสแสวงหากับเรานี่สิ่งที่เธอต้องการมันไม่มีในเราไปสแสวงหาที่อื่น เราไม่มีแล้วหมดความความหนัดหมดความยินดีแล้วอืตอนนี้พระองค์ได้บรรลุธรรมเลยนะนางตัญหานางราคานางอาธิปิฏพอลงไปเจ็ดอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์ภายในเะจ็ดอาทิตย์ไม่ได้ฉันนังไงเลยนะเจ็ดสี่สิบเก้าแต่ก่อนได้บรรลุธรรมในวันนั้นนะ่ะกลางวันเนะี่ยฉัน ข้ามทุปายาตของนางสุชาดา49ก้อนพอดีเท่ากับ49วันที่พระองค์ไม่ฉันนี่แหละ49ก้อนข้ามัทุปายาตกวนด้วยของอร็กอร่อยไ้ถวายเ ข, เข้าใจว่าเป็นเทว ด, ดานางสุชาดาเคยไม่เคยเคยไม่มีบุตรแล้วก็ไปบนบาลที่ตนใส่ตนนั้นถ้ามีบุตรแล้วจะบวงสวง จะแก่บนุนจะบวงสรวงอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นก็เลยไปมีลูกจนโตแล้วก็เลยมา่วงมาบวงสรวงพระพุอทเจ้าวันนั้นพระองค์เป็นวันที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ตอนกลางวันเนี่ยผิวพรรณของพระองค์ก็พองใสผิดปกติพุทธเจ้านี่ผิวพรรณพองใสมีอยู่สองการการหนึ่ง วันก่อนตรัสรูอ้อีกการหนึ่งวันก่อนประนิพาิวันที่ก่อนก่อนจะประิทธานผิวพรรณของพระองค์จะเหมือนมีเปลว อ, อะไรเนาวมันเลื่อมปับปปัป ป, ป, ป, ปสดใสจูดฉาดผูดผานผิวผ่องพันเจพันรังสีนางคนใช้เห็นก็เลยไปบอก โอ้เทวดาเห็นเทวดานั่งคอยอยู่นะ่ะพระแม่เจ้านางนี่ก็เลยเรียบลีบไจอ่อเอาเครืามาัทุกพพยาตไปถวายพระองค์ก็ดูเพราะไม่มีอะไรรับบาตรที่เคยมีก็บรรดาลหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นางชาดาก็เลยถวายทั้งทั้งถาดทองอนะ่ะ ถ, ถวายทั้งถาดทองพระพุทธเจ้าก็เลยมองมองมองหน้าว่าพระองค์ไม่มีอะไรใส่ นางก็เลยสวายทั้งถาทองตัวทั้งถาทองเสร็จแล้วองค์ก็ฉันเอาไปฉันที่ฝังแม่น้ําในรัญชาราเสร็จแล้วก็อยู่บริเวณนั้นแหละทั้งวันไปฉันเสร็จไปลอยถาดเสร็จนี่พวกเขาไปอินเดียเขาคงไปดูที่ลอยถาดนะที่ฝังแม่น้ําในรัญชาราอธิษฐานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสรูรนะอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าจะได้มันลุเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธาแล้ว ขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ําำลอยทวนกระแสน้ําถาดนี่แหละไปลอยถาดลอยทวนขึ้นไปอยู่ริ้วริ้วริ้วรอ่าเป็นสัญลักษณ์บอกให้พระองค์ทราบเออไปตามคําต้องการของของพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธะถาดก็จะลอยทวนกระแสน้ํานนี้บารมีอะไรพาไปบารมีพาไปวาจาสิทธ บารมีพาไปพอถาดไปถึงไน้ําวนไปถึงน้ําวนถาดกระโดดถูน้ําวนดูดลงไปตรงนั้นน่ะไปซ้อนข้างล่างของถาดพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไม่ใช่ไปทับข้างบนนะไปซ้อนข้างล่างนี่แหละก็พูดถึงกาลนาค ก, กาลนาคพยาการณ์นอนอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงถาดของพระพุทธเจ้ามาซ้อนกันเนี่ยก็เลยเลยรู้สึกขึ้นโอกเมื่อวาน ผูทีเจ้าเขามาอุบตัตไปแล้วหนึ่งองค์วันนี้มาอุบตัตอีกแล้วเพราะอันนี้เขามีตลอดการเขานอนตลอดการการละนากเนี่ยนอนตลอดการแล้วก็หลับไปอีกแล้วหลับสนุกมากหลับไม่มีอะไรกลวนเนี่ยหลับเป็นกับกับมีบรยาการพระองค์ก็ถวายเสร็จแล้วก็พระองค์ก็อยู่สําราญอิริยาบถอยู่รอบๆแถวๆแม่น้ำเรรองฉลาแถวนั้นแหละอา่า ตอนใกล้จะค่ำเดินทางกลับมาที่ต้นโพแล้วก็มาเจอไอ้นายโสตทยะถวายยาคาแปดกรรมพระองค์ก็เลยเอายาคาเนี่แหละไปปูไปปูนั่งที่ต้นโพเป็นบันลังแล้วก็เสี่ยงอธิษฐานทบบารมีของพระองค์มีก็ให้ก็ให้บันลังนะวัชระ บ, บันลังของพระองค์ ก็เกิดขึ้นเพราะเสียงบารมีวัชระบัลลังก์ก็เกิดขึ้นรองค์ ก, งก็ได้นั่งวัชระบัลลังก์นั้นหันหลังให้ต้นโพหันหน้าออกไปทางที่ตะวันออกนะจากนั้นก็เริ่มดําริที่จะทําความาเพียรตั้งสัตว์ในใจว่าถ้าหากไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะตราบใดเพียงใดจะไม่ลุกจากตรงนี้อ เนื้อหนังเหี่ยวแห้งไป เ, เลือดเนื้อเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มก็ดู ก, ก็ตามจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดเนี่ยใช่หไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะตุสรุทธังกตั้งสัตถังกตั้งสัตความสัต์ความสั ต, ส ต, สต์ก็คือสัจจะ น, นี่แหละเอาสัจจะเนี่ยเป็นตัวมัดเอาคําพูดของตัวเองมัดตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะจะไม่ลุกจากที่นี่เนื้อเลือด เงยเหี tang, ่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกก็ตายแต่ตอนนี้พระองค์ไปผ่านธรรมทุกเดชะกิริยามาห้าหกปีแล้วนะเนี่ยอันนี้คือวันที่จะตัดสู้จากนัพยามารก็เริ่มมาขวนั่นแหละพระองค์ก็เริ่มชนะพยามารตั้งแต่หัวค่ำพอพยามารพอพวกพยามารผ่านพ้นไปไม่มีอะไรพระองค์ก็ได้บรรลุ ผูกเพรนภาษานุสนติญาณตั้งแต่หัวคำระลึกย้อนหลังไปเห็นการเกิดตายของพระอผเ์เ ก, เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่จบไม่สิน้นก็ผ่านไปพอถ้ำกลางราตรีถ้ำกลางกลางคืนกลางกลางของกลางคืนก็ได้ได้ญาณอีกอันหนึ่งจตูจตูป ป, ปตาตญาณรู้จุติการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อก่อนนั้นเห็นชีวิตของพราเองเกิดตายเกิดตายเกิดตายพอมาทำกลางเห็นการเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายทั้งผปวงของคนของสัตว์เกิดตายด้วยอํานาจของกรรมตามบุญทํากรรมพอมาปัจฉิมยามยามสุดท้ายแห่งราตรีได้บรรลุอาสวัคคายานคือมันจะมียานเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเอเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องบอกว่าอาสวะกิเลสในพระไตรปิฎกหมดไปสิ้นไปจากคันธะสันดาลแล้ว ถ้าไม่โปร่งพอใจอ่ะพอใจแะ้วพอละพอพอใจละพอละอะยินดีพอใจละพอใจละพอใจละสมใจละอะสิ่งที่เราแสวงหาที่จะดีกว่านี้เลิศกว่านี้ไม่มีละอะพบนี้เป็นพบสุดท้ายของเราที่จะเราจะมาเกิดอีกในพบไหนๆจะไม่มีแกเราอีกจากนี้เป็นต้นไปยามสุดท้ายราตรีแล้วจากนั้นถึงได้ อดพระกระยาหาร49วันสเสวยวิมุติสุขสเสวยวมุติสุขวิมุติสุขก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการพ้นจากกิเลสเกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาสวะที่มากวนใจยุ่ยแย่กวนในาวใจมีพระสติปัญญาเฉลชยวลาดรู้เท่าทันมีประยาตัดสินรู้ว่าพระองค์ ชำระสีเหล่านั้นหมดจดโดยสินเชิญพอใจแล้วถึงที่สุดแล้วดีเลิศแล้ ว, ลวไม่มีอย่างอื่นดีกว่า น, นี้ไม่ต้องสอบหาอะไรอีกแล้วโสมอิมยมอย่างนั้นแหละพอครบสี่สิบเก้าวันก็มีในนั้นก็บอกว่ามีพระเอ็นเอาสมอมาให้ถ่ายมาชั้นมาถ่ายแล้วก็มีนายตะพุทธสัพลิกะ นี่แหละพม่าเขาก็ว่าทพุสะพาริกะเนี่ยเป็นชาวอุก拉ชนบดอุ克拉ชนบดเขาก็ว่าพม่านั่นแหล ะ, ม, ะมาจากพม่าเพราะฉะนั้นเขาพูดได้เต็มปากเลยชเวดากองชเวดากองเ่ยทพุสะพาริกะเนี่ยได้ได้พระเกศามาจากพระองค์เสร็จแล้วเขาก็มาสร้างชเวดากองเป็นพระเจดีย์อยู่จนทุกวัน ตามตำนานของเขาเขาว่าสร้างตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นะคือตะปุสะภะริกะถวายสัตตุผงสัตตุก้อนสัตตุผงสัตตุก้อนคืออาหารแห้งอาหารสําเร็จรูปอาหารแห้งมีทั้งอาหารผงมีทั้งอาหารก้อนไปถวายพระพระศา ส, สดาก็เลยรองไม่มีบาตรตอนนั้นก็เลยท้ามหาพรหมเอาบาตรสี่ลูปมาถวาย สมณะควรจะมีบาทแค่ลูกเดียวก็เลยมาอธิฐานใ้บาทสีใบเนี่ยเป็นเป็นบาทใบเดียวอืมจะตารโรปรเตยะทธาเอกปะโตตทธเอกปโตอธิษฐานิคถานี่เนี่อาจารย์จิรวา่านจำนมำเสกเป่าคนก็ดูหักคนเคล็ดขัดยอก <laughs> คาถาประสานบาทนี่แหละจัตตารูปเตยทะเอโกปโตตถาเอโกปัโตอธิฐามิหรืออธิฐานิทิธานบาทสี่ใบให้เป็นใบเดียวจากนั้นแล้วก็ใส่ข้าวสตุพงศตุกรของทพุทสาริการิชันหลังจากนั้นแล้วเขาขอสิ่งระลึกแล้วแต่พระองค์มีอะไรเป็นสิ่งระลึก กุริจาวก็เลยโลภพระเสียรโูภไปแล้วก็พระเกศาของพระองค์หลุดมาแปดเส้นไอพวกนั้นได้ไปโอ้ดีออกดีใจกลับบ้านไปไปสร้างเจดีย์นี้แหละขา่าวตาพุทธสพลิกะนี่แหละไปจากอุกละชนบทคือประเทศพมา่านี่แหลพะพมา่าเขาก็น้อมมาว่าเป็นของเขาไอพวกนี้เป็นพ่อค้านี่เรามาสร้างเจดีย์ชเวดากองมาไปฟังดูประวัติเขาก็าว่างั้น จางนั้นก็ได้ฉันี่ยชั้นปัตตานีเราพูดถึงพยานของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าได้ชื่อว่าสัพพัญยุตยานสัพพยุตยานสัพพะแปลว่าทั้งปวงมีญาณรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างสัพพยุตยานนะรู้เห็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะปกปิดซ่อนเร้นพระยานของพระองค์นะ แต่พระองค์เป็นสัพพยุตยานทุกอิริยาบถไหมเขาเคยมีปัญหาถามไม่เวลาพระองค์ต้องการหย่อนไปใส่อะไรก็เห็นหมดหย่อนไปใส่อะไรก็เห็นหมดไม่ใช่ว่าพระองค์จะสัพพยุตยานทุกอิริยาบถไม่ใช่ยานทั้งหลายก็จะรู้ได้ครั้งละหนึ่งอันนั้นเพียงแต่หย่อนจิตไปใส่อะไรก็รู้สิ่งนั้นหย่อนจิตไปใส่เรื่องอะไรก็รู้สิ่งนั้นหย่อนจิตไปรู้ใส่อะไรก็รู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นอคือมีของใช้มากมายเยอะแยะ และจะจะหยิบอะไรออกมาใช้ไม่ใช่หยิบมาเมื่อเรามีเงินล้านะ่ะเงินแสนเงินล้านะ่ะเงินเป็นถุงเป็นถังนะไม่ใช่เรามาใช้หมดเพื่อเดียวพรอาก็หยิบมาใช้ทีละเท่าที่จําเป็นปนั่นแหละญานสัพยุตยานญานของพ ร, ระองค์ตีตังสา ย, ยานนากตังสา ย, ยานปัจจุปันังสา ย, ยานสารพัดยานที่เกิดขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยทุกวันนีสู้ไม่ได้ไม่ได้พอเสี้ยวหนึ่งของพระยานของพระองค์ในพวกคนคิดคนคิดค้นประดิษฐรร์อาจนจะเป็นว่าเป็นใบจนหัวสมองจะแตกก็มีก็จะคิดออกนะคอมพิวเตอร์นี่พระเจ้าเป็นเองด้วยบารมีเป็นเองด้วยบา ร, ร ม, เเรรมีเป็นเองด้วยบุญบุญสังสมเอาไว้ บุญไม่ไปไหนกลับเป็นบา ร, รมีมาช่วยเราบา ร, รมีทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้เหมาะสําหรับสอนลูกศิษย์เหมาะสำหรับสอนพระสาวกเหมาะสํ า, ห, าสหรับปราพยามานเหมาะสําหรับปราพวกมิจฉาทิฐินะเช่นอย่างรูระกัส ป, ปายไหมนี่เขาเรียกมิจฉาทิฐิบูชาไฟสําคัญว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแหละ อไม่ยอมเชื่อพุทธเจ้าเต็มเต็มที่สําคัญตัวนั้นแหละแล้วพระองค์ที่ไหนได้หัวใจเปิดโร่พุทธเจ้าท่านดูตลอดพอเห็นว่าได้ที่แล้วอ้ใจมันเริ่มยอมแล้วยอมแล้วโอ้ยยอมจริงๆแหละแต่ปากก็พูดไปงั้นแหละยอมจริงๆนั่นแหละยอมพุทธเจ้าอ๊ยเราไม่ได้อะไรพอเสียวเดียวกับท่านเลยหลวงอาศัยปับ๊บเธอสําคัญเธ่ว่าย่าของเป็นพระอรหรันต์ แท้ที่จริงหนทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเธอก็ยังไม่รู้จักว่าเขาอ่อนโยบอะไรท่านนี้กราบมาบมาบมาบมาบมาข้าพ ร, ระองค์ขอถึงพระองค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งขอบวชในศาสนธรรมของพระองค์วเขาโยบในที่สุดพวกมิจฉาทิฏฐิก็ต้องมาสยบกับพระองค์พวกพยามารก็ต้องมาสยบกับพระองค์พยามารที่ไปทรมานพระองค์ตอนหัวคำนั่นแหละในที่สุด ต้องกลับมาตั้งปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธานะเนี่พยพญามาเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นพญามานั้นนะเพราะอะไรเพราะเป็นพญามานมดริดหมดเดชสู้พุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่านเราเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่านี่คือความดีกับความชั่วมันชนะกันมันแพ้กันอย่างนี้อืม ไม่รู้จับอะไรพูดอะไรไม่รู้ไปไปเราไปพูดเรื่องพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่อ๋อเริ่มไปแต่กันอบรมบ่มเพาะตัวเราอบรมบ่มเพาะตัวเราผู้บัญจาอบรมบ่มเพาะก็ถือว่าเป็นประปัจจัยตัวเราเองเราอบรมบ่มเพาะตัวเราอันนี้เป็นอัตตปัจจัยทำมากเท่าไหร่ก็ได้ ทำมากทำน้อยเท่าไรก็ได้คนอื่นบอกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือไม่ทำเลยไม่ได้อะไรจากเม็ดเลยเนี่ยเราไม่ทำแต่ถ้าบังคับตัวเองบังคับตัวเองบังคับเท่าไรก็ได้เดินจนครบสักครึ่งคืนก็ได้นั่งสักครึ่งคืนก็ได้นั่งตลอดทั้งคืนก็ได้เดินตลอดทั้งคืนก็ได้เดินเบาหนานั่งเบาหนาคนอื่นบอกไม่ได้อก ไม่ชอบใครเขาบังคับไม่หวาใครอะ่ะไม่ชอบไอ้คนอื่นบังคับแม้แต่กุศลก็เหมือนกันนะกุศลใดก็ตามที่ที่เราบังคับตัวเองได้คิดได้นึกได้ทำได้ด้วยตัวของตัวเราเองนี่ท่านว่าเป็นมหากุศลแต่ถ้าคนอื่นพลอยทำตามคนอื่นด้วยอายเขาบ้างอะไรเขาบ้าง อ้าวเข า, เาตั้งของว่าปลาอ้าวเขาจกห้าจกสิบมาจกของจะไม่เยอะจกเลยอะไยังไงไม่รู้มันก็ถูกบังคับไปในตัวก็เลยจกจกมาแบบเสียไม่ได้ใจไม่ได้เริ่มใ ส, ส่ศรัทธาอะไรเนี่ยนี่คือทําตามเขาได้ยุกได้น้อยเดียวไล้นิดเดียวเพราะเปิดใจแคบๆเปิดใจนิดเดียวเรื่องของธรรมนั้นถึงแม้ว่าเราทําบุญน้อยแต่เราเปวดใจกว้างบุญก็เขาเยอะ เรามีทรัพย์มากๆากทำบุญมากๆแต่เราเปิดใจแคบแคบบุญก็เข้านิดเดียวเข้าแคบแคบคือการเริ่มใ ส, ส่ศรัทธานี่ยแหละคือการเปิดใจการเปิดใจรับเปิดใจรับบุญก็เหมือนผาชนะนี่แหละเหมองพวกไห้พวกอะไรของเราเนะ่ยเราไม่เปิดเราจะเทยังไงเอาอะไรมาเทมจะลงได้ต้องเปิดฝา ใจที่ไม่ยอมรับก mmm. <sh> <sh> ็ค <men> ือใจเหมือนกับหม้อภาชนะที่ไม่เปิดฝาเอาอะไรเทลงไปมันจะล้มน้องตาท่านยิ่งเทียบอยู่เรื่อยเหมือนกับเทน้าใส่หลังหมาสลัดข้างเดียวกมดเกี้ยงเทน้ําใส่หลังหมาอืหรือไม่กับเทน้ําใส่ภาชนะที่ยังไม่ได้เปิดฝาคําว่าเปิดฝาคือเริ่มใส้ศรัทธาเปิดใจยอมรับ ให้เข้เาใจเรื่องเหล่านี้รู้จักเปิดใจยอมรับบุญยอมรับกุศลเห็นคนอื่นทําดีเราก็เปิดใจนึกอนุโมทนาอะไก็แล้เปิดภาชนะเรารับยิ่งเราได้ฟังต่อหน้าต่อตาได้ฟังก่านฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์สาวกพระอุญญาสาวกเปิดใจรับด้วยความเริ่อมใส่ศรัทธาอย่างจริงจังคําบอกคําสอนก็ไปตกค้างในหัวใจด้วยความตั้งอกตั้งใจรู้ทุกขคล้อยทุก ข้อทุกความในขนาดเดียวกันเกิดสมาธิอีกเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นอีกได้รับความสงบเพิ่มขึ้นอีกเกิดคุณสมบัติให้แก่ใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตั้งหลายหอย่างนี่คือการตั้ง อ, อกตั้งใจการตั้งใจการตั้งใจจนเหมือนกับใจมันตั้งหัวใจของเราเนี่ยเมือ่อมันตั้งเดดีขึ้นมาในกายของเรา ห, หัวใจมันห้อย ครูบาอาจารย์รุ่นสมัยรุกนผู้มันตั้งใจตั้งใจตั้งใจเหมือนหัวใจมันตั้งออกมาเนี่ยตั้งใจปกติหัวใจมันห้อยการตั้งใจเนี่ยดูเหมือนหัวใจมันตั้งขึ้นมามันไม่ห้อยอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบเป็นคำที่เราให้เราได้คอคิดอีกเหมือนกันการตั้งใจเอาใจเป็นที่ตั้งให้เกิดความเชื่อเกิดความเรื่มใส่เกิดความศรัทธา บุญที่จะพึงเกิดขึ้นจากความเริ่มใจศรัทธาเนี่ยมีพร้อมที่จะเกิดให้กับเรานอกจากว่าเรายัางไม่เปิดฝาผาชนะท่านะเนี่ยฝนมันตกลงมาอยู่มันโปรยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ฝนทีฝนห่างมันมีอยู่แต่เราไม่เปิดผาชนะน้ําเลยไม่เข้าไปสักหยดแหละอืมมันไปตากฝนอยู่หมดทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่มีอะไรข้าวสักเม็ดคือไว้ใจของคนที่ไม่เรื่มใจศรัทธามันได้ประโยชน์น้อย แทบไม่ได้เลยอ่ะคือมันไม่เปิดไม่เปิดรับเพราะฉะนั้นท่านว่าอินทรียอินสีอินรีห้ากับพระหเนี่ยเหมือนกันอินรีห้าอินรีย์ก็คือการสร้างความเป็นใหญ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสร้างให้เกิดความเป็นใหญ่ในหัวใจของเราสร้างศรัทธาเกิดความเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์เป็นอินทรียด้วยเป็นพระด้วยพระแปล ว, ว่ากําลัง อินทรีแปล ว, ว่าความเป็นใหญ่ศรัทธาสัตถินทีวิรยินทรีสตินทีสมาธินทีปัญญินทรีเนี่ยความเป็นใหญ่ทำให้ศรัทธามีความเป็นใหญ่เมื่อศรัทธาเป็นใหญ่แล้วเราก็เลื่อมใสศรัทธาในรูุตะเจ้าในพระสงฆ์สาวกในคำบอกคำสอนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโอ้ ท่านมีบุญท่านมีวาสนาท่านมีบารมีท่านท่านทำอย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้เหมือนที่ท่านสอนเราท่านบอกเรานั่นแหละให้ทานรักษาศีลให้ทั้งใจจิสมาธิให้ทั้งใจจริยนปัญญาโอ้ท่านแนวทางปฏิบัติของท่านอย่างนี้เราก็เร่งวิววริยะกลายเป็นวิริยินสีความเพียรเป็นใหญ่วิริยินสีวิริยินพละวิริยะพละ วิริยะวิริยินสีวิริยะพละคือกำลังความภาคความเพียรความภาคความเพียรเลยเป็นใหญ่จากนั้นก็สตินสีความตั้งอกตั้งใจสิ่งที่มีกําลังมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวตามอํานาจของความตั้งอกตั้งใจก็คือสติในหัวใจดวงนั้นแหละกลายเป็นสตินสีสตินสีสติ ความเป็นใหญ่ด้วยสติอืเมื่อสติเป็นใหญ่แล้วไอ้ความรุ่มหลงอะไรกิเลสที่มันคอยมาชุดไปนนุ่นชอตชุดไปนี่มากําลังกันน้อยเพราะสติมันมีกําลังแล้วเป็นสติพละ้มีกําลังแล้วกลายเป็นสติเป็นใหญ่เป็นเสถียรสมีมันเกิดในใจดวงเดียวกันนั่นแหละจากนั้นก็สมาธิสีก็มาให้สงบนึกมาสมาธิดีแล้วสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นกลายเป็นสมาถิสี สมาธิคือความสงบเป็นใหญ่ใจมีความสงบเป็นใหญ่ความสงบเป็นกำลังความสงบเป็นกำลังหนุนเป็นกำลังป้อนเป็นพละเป็นพละเป็นอินทรีย์เป็นพละจากนั้นแล้วก็พร้อมที่จะหนุนให้เกิดปัญญินตรีวาเป็นใหญ่ด้วยปัญญาพอถึงปัญญินตรีแล้วปัญญินตรีนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับไอสารสมนั่นแหละ แกวงแกวงแกวงแว่งแกวงในน้ำที่ขุ่นเป็นที่โคลนที่ตมแว่งแกวงแวงแกว่งตะกอนมันถูกสารสม้มด้วยวิรยินสีด้วยเสตินสีด้วยสมาธินสีด้วยปัญญินสีเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับสารสม้มมันก็กัดตะกอนร่วงลงร่วงลงรวงลงร่วงลงรวงลงใจก็เริ่มไส์ไซสส์ไส์องตอง มองเห็นหมดอะไรร่วงลงไปนอนอยู่ในค้นเห็นหมดพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาจิตใจก็สว่างสวัยเห็นหมดเห็นอะไรเห็นบุญเห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นธรรมเห็นกิเลสเห็นกิเลสก็เห็นเห็นธรรมก็เห็นเหมือนมีทั้งปูทั้งปลาทั้งเต่าทั้งอะไรแหะ ที่มันอยู่ใต้น้ำใสๆเนี่ยมันแหวกไหวทํากิริยายัางไง ร, รู้หมดเห็นหมดนรื่องเยาว์จิตมีพละมันเริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นมาจากศรัทธาเห็นไหมมีพระพุทธเจ้าท่านตั้งมาอย่างนี้พระสงฆ์สาวกภาริยะสาวกท่านตั้งมาอย่างนี้เราจะตั้งอย่างไรถามเราบ้างเราจะตั้งอย่างไร เราจะไม่ยอมสร้างสั์ทายเกิดขึ้นมีขึ้นเหรอในการให้ทานในการรักษาศีลในการตั้งอกตั้งใจที่จะทําให้จิตได้รับความสงบด้วยแบบอย่างเอ้าวครูบาอาจารย์ท่านพาทําเป็นแบบอย่างไปเดินจงกรมไปนั่งคัดสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใช้ความอดใช้ความทนนั่งแต่ละครั้งถ้าเราตั้งทําสัตว์ถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ลุกเนี่ย เอาคำสัตมัดตัวเลยคราวไหนโอกาสดีร่างกายปลอดโปร่งเบาสบายที่คราวนี้ถ้าไม่ได้สองชั่วโมงเราจะไม่ลุกเราก็ตั้งเข้าไปวิธีการมีอยู่แบบอย่างมีอยู่ถ้าเราจะตั้งเราก็ต้องตั้งตามทันแบบนี้เราทําอย่างอื่นเหมันสุ่มเดาไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรทําสเปซสปะไปตามเรื่องแบบหลักเกณฑ์มีอยู่เราก็จับมาทํา ทึกหัดดัดแรงอบรมบ่มเพาะจิตนิสัยของตัวเองเพื่อให้ต้นไม้ต้นโพธิคือปัญญาตรัสรู้ปัญญาตรัสรู้คาว่าตรัสรู้คือบรรลุถึง น, นั่นแหละก็เรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้ถ้าหากเรารู้ทมบ้าง มันรู้ทำบ้างเราก็เรียกรสัจรู้สัจรู้เป็นศัพท์อันหนึ่งแต่จะนิยมใช้เฉพาะกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูดถึงกิริยามันกิริยาเดียวกันกิริยาบรรลุธรรมกิริยาเขาถึงธรรมกิริยารู้ธรรมเห็นธรรมนี่คือคือพระหอินทรีห้ามันเป็น มันเป็นกำลังที่เราต้องทำมาจากไหนมาจากศรัทธาเห็นศรัทธาสักข์โสปานังศรัทธาสักข์โสปานังศรัทธานี้เป็นบันไดเชื่อมตั้งแต่ตำ่ตำๆเป็นบันไดไปสวรรค์ศรัทธาสักขนิ บ, บานังเห็นอาศัยศรัทธาเป็นบันไดเชื่อมไปถึงพระนิพพาน อาศัยศรัทธาเนี่ยเป็นบันไดเชื่อมสักขะแปลว่าสว่างสักขะโสปานังโสปะตาโสปะตาเข้าถึงเข้าถึงอาศัยศรัทธาความเชื่อความเดิมใสแต่เรื่องศรัทธานในพระพุทธศาสนานั้นถ้าพระพุทธเจ้าท่านจะส่งบังคับพวกเราท่านจะบังคับ ท่านจะบังคับพวกเราเหมือนกันนะว่าให้เราพวกเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัต t h เชื่อในการตรัสรู้ของภาษาของพระตถาคตเนี่ยมีตถาคตโพธิสัต t h เพราะว่าเชื่อลงไปแล้วไม่ผิดผู้ที่รับรองก็คือท่านเองนี่เราได้สร้างบารมีมาแล้วได้เราได้บรรลุธรรมอยู่แล้วเราได้รู้อยู่อย่างนี้แล้ว เราได้ไล่กิเลสตัณหาอาวิชชาอาสะวะต่างๆทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากหัวใจแล้วเอาพระองค์เป็นที่ตั้งเอาพระองค์เป็นปัจจพยานถ้าจะบังคับภาษาวกก็คือบังคับให้เชื่อว่าพระองค์ได้บรรลุเป็นตถาคตผัวที่ศรัทธาพระตถาคตให้เริ่อมใสศรัทธาในาพระตถาคตว่าพระตถาคตได้บรรลุเป็นพระผู้พระสัมมาสัมพุทธะ ทศกัณโพธิสัต tha แต่ข้ออัดข้อทําทั้งหลายทั้งปวงที่พระทถาคตเจ้าสอนไปนั้นให้เธอทั้งหลายไปวินิจฉัยใคร่ครวนเองจะไม่บังคับให้เชื่อให้เป็นวิให้อยู่ในดุลยพินิจวิจรารณญาณของไข้ของเราเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาหลักนี้เละเป็นหลักที่เยี่ยมที่สุดไม่มีการบีบบังคับให้เชื่อ อ <PTSD> เหมือนศาสนาอื่นเนี่ยเขาบังคับให้เชื่อนะคุณต้องเชื่อนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณตกนรกเอานรกมาขวางไว้แล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องตกนรกแต่ฟังดูแล้วมันไม่เห็นมีเหตุมีผลอะไรเห็นมีผลมีเหตุมีผลอะไรของพระุทธเจ้าพิสูจน์ได้เหตุด้วยผลได้หมดเราไม่ต้องเชื่อให้เธอตั้งปัญหาถามไปเรื่อยๆนะพิสูจน์ไปเรื่อยๆทดสอบไปเรื่อยๆพิสูจน์เรื่อยทดสอบไปเรื่อย ในสุเธอได้จะได้บรรลุธรรมจะได้บรรลุได้มนุษย์ธรรมเองเคยฟังวังคีสสะไหมวังคีสะพราหมณ์เนี่ยเขาเก่งมากเขามีมนอย่างหนึ่งมีมนเคาะกะโหลกแล้วเขารู้ว่าเจ้าของกะโหลกศีรษะนั้นอนะไปเกิดเป็นอะไรวังวังวังคีสะพราหมณ์เขาแข็งเขาแข็งธรรมหากินไปเป็นหมดเป็นเมืองเมืองละจนไปได้ยินกิติศักดิ์ของพระพุทธเจ้าก็เลยไป ไปกราบพระองค์รองค์ถามเขาทราบว่าเขาถนัดเรื่องมนต์วังคีสักเขาะกระโลกศรีรษะของคนที่ตายไปแล้วแล้วก็รู้ว่าเจ้าของศรีรษะเนี่ยไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นู่นญาณแบบนี้สามารถมีได้เปลี่ยนได้รู้ได้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ขัดขัดแย้งนะท่านก็ไม่คัดค้านนะเดี่ยพระพุทธเจ้าก็ทดลองนี่นะนี้พระพุทธเจ้าก็เลยให้เขาเอาศรีรษะของพระอรหันต์ไปให้เคาะ ข้อข้แล้วก็ฟังไม่เกิดที่ไหนข้อข้แล้วก็ฟังเงียบข้อข้แล้วก็ฟังเงียบเพราะป้าอาหารท่านไปเกิดนะเมื่อเลยเลยไม่รู้ที่ไปอ่ะไม่รู้ท่านไปไหนข้อข้อเลยเงียบลงตาฟังลงตาท่านเล่าน่ะครับนั่งยิ้มเออทีนี้ก็อยากได้มนได้เลยโอ้ยข้าพระองค์จนปัญญาแล้วไม่รู้ แต่เรารู้แน αι, ่ไหมแต่เรารู้อ่าถ้าเรารู้อ่าถ้าเธออยากได้เธอต้องมาเรียนมนกับเราถ้าเธออยากได้เธอต้องมาเรียนมนกับเราเธอต้องบวชเราจะใหม้มนนี่หนสุดเลยเริ่มสช้สัทธาเลยบวชเพราะอยากได้มนมนของพระองค์งคก็คงก็ม่ให้นี่แหละเกสาโลมานักขาตาัณฑานี่แหละ ตะ โ, โจตะโจปันตานักขาโลมาเกษาเนี่แหละอธิมินชังนหารูอาการ32พระองค์ก็ให้มาไล่ไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาเห็นไหมฉลาดไหมคุณทธเจ้าวุ้ยไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาได้เป็นพระอาหารจ้อยไม่สนใจอะไรเละ เ, เรื่องเขาะกระโหลกนี่ย น, นะนี่คือวังกีสะปรามันมีอยู่ในเนี่ยนะในอนุพุทธนะไปหามาอ่านดู มันมีอยู่ในหนังสือเล่มนักธรรมโทนเล่มใหญ่ๆเนี่ยมันรวมอยู่ในนั้นอนุพุทธแปดสิบอยู่ในนั้นไปเอามาอ่านดูมีวังคีสาวัางคีสะพราวใช่ไหมมีวิธีการของพระพุทธเจ้าคุณจะทำความคล่องใจสงสัยไปขนาดไหนยังไงก็ตามแต่ให้ขอให้คุณทำอย่างนี้ทำไปทำไป ท, ไปทั้งความสงสัยไปหาไปค้นไปคนมาเพราะมันอยู่ใน คนทางอยู่ในข้ออยู่ในมัดอยู่ในมักปฏิบัติมันเป็นการฝึกให้จิตได้รับความสงบฝึกให้จิตเกิดความรอบรู้และก็ไม่ใช่รอบรู้ที่อื่นรอบรู้ที่รูปธรรมของตัวเองรอบรู้ที่นามธรรมาของตัวเองคนไปคนไปคนไปคนไปอ้าวเจอของจริงบรรลุธรรมขึ้นมาปุง๋งนี่คือธรรมะคำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่บังคับให้เชื่อ เราเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเธอต้องไปทําเอาเองเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ขอให้เธอขอให้เธอทําตามนีนะ้ก็เหมือนอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องโตทยโตทยพรามเนี่ยโตทยพรามเนี่ยเป็นพราหมณ์ตัวนี้ทีนียวมากมีสมบัติแปดสิบโกดนะโตทยพรามนะโตทยพราม เ, เป็นสมบัติ มีสมบัติแปดสิบโกดผู้ไเจ้าบินธบาตรผ่านนาบ้านทุกวันทุกวันไม่เคยใส่บาทแนมะ้แต่เม็ดเดียวนอกจากนั้นแล้วดงนั้นด่าอยังด่าอีกพระมหาสหสมณะคนดมหัวโลนอย่างนั้น ห, ห, หัวโลอนอย่างนี้ น, อ, น, อ, น, นอกจากไม่ใส่บาทแนละ้วดา่าอีกนี่นะโตทยพรามเนี่ยดาย่าทุกวันทุกวันในที่สุดอยู่วาอยู่มาอ้าวโตทยพรามตายนะไอ้สมบัติแปสิโกดนั้นะเอาไปฝังไว้หลังบ้าน พอตายพอตายจากโตทยพรามไปเนี่ยไปเป็นหมาไปเป็นลูกสุนัขในบ้านนั่นแหละหมาโทนหมาโทนคือแม่มันมีลูกคนเดียวตัวผู้คนเดียวไปเป็นหมาโทนอยู่ในบ้านนั่นแหละที่พุทธเจ้าไปบินธบัติไปบินธบาตหมาตัวนี้ก็มาห่าอีกแล้วพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์โอ้โตทยพรามเออสมัยมีชีวิตอยู่ใสาบาทก็ไม่เคยใส่ ตาแล้วมันเกิดเป็นหมาแล้มาเห่าอีกเหมือนเดิมว่ะมาเห่าอีกนะ okay. มาเห่าอีกทีนี้หมามันรู้เรื่องหมาพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยหูตกเลยไข้เลยไม่กินข้าวไม่กินอะไรตั้งแต่วันนั้นมาทีนี้ไ อ, ไอตโตทยมานบเนี่ยที่เป็นลูกชายของโตทยพรามบเนี่ยถามคนใช้ว่าใครเห็นหมาไปอะไรงไงบ้างเนี่ยหมาไม่กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยขอสาเหตุ เพราะวันนั้นนะมีพระมหาสํานาโคดมท่านผ่านมาท่านแแย้มพระโอษฐ์นี่พระสาวกถามพระองค์ก็เลยว่าโอ้โตเถรยพรามอเมื่อก่อนเป็นคนไม่เคยทําบุญให้ทานอยู่แล้วเกิดมามาเป็นหมาไอ้มะเฮาเหมือนเดิมโตทยะมาโนบพอได้ยินขนาดนั้นขี้อับหนักเลยหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดูถูกดูถูกนู่นตามไปด่าพระพุทธเจ้าถึงที่วัด่อะอาเธอไม่ต้องเชื่อเรานะ พระพุทธเจ้าเธอไม่ต้องเชื่อว่าลูกหมาคนนั้นว่าเป็นพ่อของเธอหรือเป็นใครเธอไม่ต้องเชื่อแต่ให้เธอให้เธอทำตามทาตามฉันให้เธอทำทําตามเราและเธอจะรู้ว่าเป็นยังไงพุทธเจ้าก็เลยแนะวิธีพรุทธเจ้าก็เลยแนะวิธีว่าให้เธออให้เธออาบน้ําแต่งตัวให้ดีลูกหมาตัวนี้นะเสรแล้วก็เช็ดให้ให้แห้งดีๆแล้วก็ เอาเขาไปให้นอนในตรงที่ผ้านุ่มๆผ้านิ่มๆในขณะที่เขานอนค่เคลิม้มเคลิมคล้มใกล้ๆจะหลับให้เธอไปกระซิบที่หูว่าพอ่พอพ่อสมบัติแปดสิบโกดฝังไว้ที่ไหนนี่พรพุทธาจ้าแนะนำเนยพระพุทธเจ้าแนะนำนี่ก็โตเถี่ยาพาไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่แต่พอความอยากรู้ก็เลยไปไ ป, ไปทำตามพระุทธเจ้าท่านสูงแนะนำ จะทำแบบนั้นอ่ะเอามาไปอาบน้ำอย่างดีไปเช็ดอะไรอย่างดีไปนอนในที่นิ่มๆรู้สึกว่าหมามันเคลิ้มเคลิ้งมาไปกระซิบพ่อพ่อสมบัติแปดสิบโกดพ่อฝังไว้ที่ไหนพุทธิอ่าท่านก็บอกแล้วถ้าเป็นโตทยพามเนี่ยลูกหมาตัวนี้จะลุกขึ้นแล้วก็เธอเอาจอบอะไรวิ่งตามไปเลยสมบัติตรงไหนหมาลูกหมาตัวนี้จะไปกุยตรงนั้นแหละจะไปโกยตรงนั้นอ่ะ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอโตทยามานพทำตามลูกหมานะลูกไปหลังบ้านน่ะไปโอ้ยขุดเห็นสมบัติมากมายเยอะแยะเรื่อมใสศรัท ธ, ธาแลยตอนนี้โอ้เริ่อมใสศรัท ธ, ธาโอ้พระ ส, สมณะโคดมเนี่ยมีความสามารถขนาดนี้เอาทรัพย์เหล่านั้นมาทำบุญจนหมดเห็น ไ, ไ, ไหมบาปของพ่อบุญของลูกเห็น ไ, ไหมลูกเลยเอาทรัพย์เหล่านั้นมาทาบุญ เห็นผู้ทำบุญบำรุงทำบุญให้ทานถวายพระเจ้าพระสงฆ์บิจังหันอะไรอะไรได้ฟังได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมแน่นีไม่ต้องเชื่อคอยทำตามท่านศาสนธรรมของพระองค์ที่พวกเราได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันเราต้องทำตามเราต้องปลุกศรัทธาภาษาถะความเชื่อความเรื่มใส อย่างน้อไปเชื่อว่าพ่อพระที่เจ้าท่านได้บรรลุธรรมพระที่เจ้าท่านบนรรลุธรรมด้วยบุญญาบา ร, รมีของพระองค์ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภินญยารู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเทียบกับเราแลยเราไม่มีอะไรที่จะไปเทียบกับพระองค์ได้อืมเพราะฉะนั้นเราจะเอาทิศจะเอาทิศทิของเราไปลบไปล้างไปเทียบพระองค์ใครเอาไปลบไปล้างไปเทียบพระองค์ถ้าเป็นพระเนี่ยท่านกล่าวอับดับนะ คำสอนของพระองค์ทุกบททุกบาทถ้าเราไปขัดแย้งถ้าเราไปขัดคานปรับท่านปรับบติเลยนะปรับอาบาัตปรับบาตรอะไรพระองค์ทรงปรับอาบัตอะไรปรับบาตรทุลัใจหรืออาบรรอะไร อ, ะอาบัตปัจิตตีปรับอาบัตปจิตตีะบาทดูในสิขาบทมีพิสุขัดคานพระธรรมเทศนาของ พระพุทธเจ้าออ้างว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้อ่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยอะไรอ้างว่าไม่มีเราไม่เคยได้ยินมาถ้าพิสุรู้อยู่ว่าพิสุพิสุ อ, อนี้เคยรู้เคยอะไรมาแล้วเราทำแกล้งเป็นไม่รู้คัดค้านธรรมะของพระพุทธศาสนาท่านปรับอาบัติปรับอาบัติปรับปัปจิตีด้วยปรับอาบัติ ปรับอาบัติทุลจใจด้วยเพิ่มเข้ามาอีกถ้าหากไม่ยอมรับเนี่ยท่านให้ยกออกจากหมูได้เลยทำอุกเขปนิยกรรมตามหลักของพระพิณายเขาเรียกว่าพิสุทำไขสือทำเป็นแกล้งไม่รู้ขัดขานทำมาเทศนาของพระพระพุทธเจ้านี่ปรับบติมันมีโทษถึงปรับโทษ ก, ก็ปรับโทษไม่หนักกบะปรับโทษไม่หนัก แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่พระองค์ไม่บีบบังคับเสียเสี ย, เ ส, ยเสียอย่างจริงอ่าเพียงเป็นแต่เพียงให้รู้ๆไม่ไม่กระทึงกับบังคับมากกเหมือนอย่างบังคับให้สงฆ์ทำพรหมทานกับนายชนะนั่นแหละหลังพิสูจน์ทั้งหลายหลังจากเรานิพพานไปแล้วนี่ให้พวกเธอทําพรหมทานกับพระชนะพระชนะหัวดือ้อพระชนะนี่เป็นอํามาตะสมัย เป็นสารถีพาพระองค์ไปบวชนนะ น, นั่นแหละสําคัญว่าเจ้าขอนเป็นฆ่าเก่าข่าเก่าอยู่นั่นแหละข่าเก่าข่าเกา่าเกะกะระรานหมูเพื่อนอย่างนั้นแหละทิฐิมานะยังไม่ได้มักได้ผลพระองค์ก็ไม่ถึงกับบังคับมากเพียงแต่ว่าสั่งพระสงค์ไว้ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วให้พวกเธอทําพรหมทานกับพระชนะชนะก า, า, า, าทรทําพรหมทานคือทําโทษอย่างพรหม ทำโทษอย่างพรมทำยังไงอะ่ะไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่อยู่ด้วยไม่กินด้วยไม่เล่นด้วยไม่อะไรด้วยถ้าอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปอยากทำก็ท ำ, ทำอยากอะไรอะไรเฉยหมดโอยเพราะชนะนี่ก็อักเลือดเลยแหละสลบเลยบางนันนะนี่เห็นไหมเราดูแล้วมันเหมือนของไม่หนักแต่เวลาทำลงไปแล้วมันหนักมากเลยนะเราดับหัวใจของคนวางเฉยไม่สน อเธอจะอยู่จะกินจะทำอะไรก็แล้วแต่เธอไม่พูดไม่คุยไม่บอกไม่เตือนไม่สอนไม่อะไรในเมื่อประสงค์ทางวัดนะในตันไม่มีหมู่ตาแล้วกูโอ้ก็อากเลือดเลยนี่แล้วดูไปแล้วก็เหมือนกับเป็นของไม่หนักแท้ที่จริงกันหนักมากถ้าพิจารณาในแง่ธรรมแล้วก็หนักมากดูดูเหมือนไม่หนักใช่ไหมนี่คือพรหมทัน และอีกอันหนึ่คือยกอเควนยักกรรมยกออกจากหมู่อันนี้คล้ายค้ายพรหมทานนั่นแหละยกออกจากหมูไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับหมู่ไม่ให้พูดใหมคุยไม่ให้เล่นไม่ให้อะไรไม่ให้อยู่ร่วมไม่ให้กินร่วมไม่ให้อะไรยกออกจากหมู่อืแต่ยกออกจากหมู่นี้ถ้ารู้ว่าเขาสํานึกตัวได้ท่านก็ให้ให้สวดถอนสวดถอนแล้วก็ชักเข้าวหาหมูเรียกเข้าวหาหมู่เหมือนเดิมอันนี้มี โอเคปัญญกรรมท่านจะปรับกับคนท่านจะให้ทำกับคนที่ไม่เห็นอาบัตด้วยแล้วก็ไม่ยอมทำคืนอาบัตด้วยไม่เห็นอาบัตหมายความว่าไม่รู้ว่าจะของต้องอาบัตไม่คืนอาบัตหมายความว่ารู้ว่าจะของต้องอาบัตแล้วแต่ไม่แสดงอาบัตนี่ท่าเรียกว่าไม่เห็นอาบัตแล้วก็ไม่ทำคืนอาบัตท่านให้เพิ่มโทษห่านท่านให้ทำโอเคปัญยกรรม อันนี้เป็นเรื่องของพระวินัยนะ น, นี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมเพราะคนเราไม่แต่เรื่องวินัยยังไม่รู้เรื่องวินัยก็เป็นธรรมแบบอ่อนๆ น, นั่นแหละขนาดธรรมแบบอ่อนๆธรรมแบบสมมุติก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพระองค์ก็ต้องขูดๆบ้างดัดบ้างแม้แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอมันจึงมีทั้งธรรมะจึงมีทั้งวินัยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาธรรมะศึกษาวินัย ที่มีอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราตำราเนี่ยเป็นสมมติแล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูมาเนื้อหาอัดธรรมที่ใจของเราเวลาเราเราตั้งใจปฏิบัติธรรมล้วก็ดูมาที่ของจริงดูมาที่กายของเราดูมาที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณดูมาที่กายของเราที่ใจของเราพิจารณารคจริงจริงพิจารณาตาจริงจของเราน่ะ ดูตาแล้วมันเห็นเป็นอะไรแล้วก็ดูไปที่รูปแล้วมันเห็นเป็นอะไรตากับรูปกระทบกันเกิดจากขุวิญญาณท่านให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้นี่คือศึกษาของจริงเรื่องจริงนั่งดูกําหนจดจ่อดูตัวเองนี่แศึกษาเรื่องจริงของจริงแต่ถ้าหากเราศึกษานึกคิดตามคําสอนทางปริยัตเนี่ยมันไม่เข้าถึงจิตมันไม่เข้าถึงกาย มันก็ยังลอยลอยไปลอยมายังเป็นสมมติอยู่ของนองอยู่ถ้าเราดูมาเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบมาดูของจริงคุณบาอาจารย์ท่านสอนให้ศึกษาของจริงปฏิบัติของจริงคลี่คลายของจริงดูของจริงพิจารณาหูเนี่ยพิจารณาเสียงพูไปพิจารณาหูคือจิตตรงนี้พูไปพิจารณาเสียงก็คือจิตตรงนี้ก็ดูไปแล้วให้มันเป็นอะไรดูหูให้มันเป็นอะไร แล้วก็ดูไปที่เสียงให้มันเป็นอะไรเกิดความรู้สึกทางเสียงท่านเรียกว่าโสตวิญญาณนี่ยคือของจริงนะนี่ในแง่ของการพิจรารณาเพราะฉะนั้นอย่างเสียงรอบรอบข้างตัวเราเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเลอะอ่อนเลอทนเราก็มาพิจร า, าจรณ า, าในแง่นี้ยพิจารณาในแง่ปัญญานี่ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพิจรารณาของจริงแบบนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนา แต่ถ้าพิจารณาดูซ้ําๆซๆๆซ้ๆอ้ำพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกซ้ำๆซๆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ท่าเรียกว่าอารมณ์ของสมถะออารมณ์ของสมถะเพียงแต่เอาเป็นเป็นเครื่องผูกให้ใจอยู่เป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าพิจารณาของจริงพิจารณาตาพิจารณารูปพิจารณาวิญญาณความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูป เห็นแล้วมันมันตกไปตกไปเป็นสัญญาเป็นรูปประสัญญาใช่ไหมในขณะเดียวกันมันก็มีสังสังขารมันก็มีวิญญาณเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละมันทํางานประสานประสานกันแป๊บเดียวเหมือนกํามือแป๊บเดียวนี่เป็นกําปั้นเนี่ยเวลาไปแยกปุ๊บสี่อันหาอันนิ้วมือเราเนี่ยเวลาขันทั้งหามันทํางานปุ๊บเดียวมันสัมผัสมันสัมพันธ์กันหเหมืองเรากําเราดู แต่ถ้าเราตั้งใจใ จ, ใจแยกเออเอ Town, เอันนี้มีอยู่เอออันนี้มีอยู่เอออันนี้มีอยู่อันนี้มีอยู่นี่มีอยู่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช้มันประสานประสานกันหมดเพราะทั้งรลกก็ตามทั้งนามก็ตามที่เราใช้พิจารณามันเป็นอาการของจิตนะฮมันเป็นอาการของใจเป็นสิ่งที่ท่าไนให้พิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อละเพื่อวางวางคันทั้งห้า <inclusion. S 1> ไม่ให้เราศึกษาเพื่อเอานะศึกษาเพื่อวางศึกษาเพื่อละศึกษาเพื่อวางถ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยของมันเลยมันก็วางของมันเองเราไปตั้งใจวางเหมือนอย่างเราถือสิ่งถือของแล้วก็ไปตั้งใจวางแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เรายัางสงสัยอยู่นั้นการสงสัยก็ทำให้เรากรรมอยู่นั้นแหละยินดีอยู่ในนั้นยินร้ายอยู่ในนั้นั้งหมดยินดีหมดยินร้ายก็คือหมดสงสัย หมดสงสัยไม่ต้องตัดไม่ต้องละไม่ต้องวางไม่ต้องอะไรนี่กิริยาภาคปฏิบัติมันเป็นยางไงแต่คำพูดบางทีเอาคำพูดมาพูดก็มาเทียงกันบอกเล่าไม่ค่อยใจแต่ถ้าหากเราเข้าใจเนื้อหาในการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายเราละพูดสเพละมาเยอะพอสมควรนะธรรมบัตทส่วนมันเถะ จบเพียงเท่านี้ธรรมะส่วนมนต์มาเลเซียร oh, ู ài, ้เรื่องมั้ยมาเลเซียฮะสิบเปหรอโอ้เยอะเลย 10% เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ 10% เนี่ยเยอะนะเราไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยเราชาวฝรั่งเราทิ้งหมดเลย ทิ้งจนไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากอะไรเลยเราทิ้งหมดเลยอย่านี้เรื้อรฟื้นไม่ขึ้น่ะเบื่อหนักก็เบื่อตอนไอ้เมมเลทิ้งเลยโอ้โหมัร้ายกาศวันนี้อ่ะเอาเปรียบเราทุกอย่างอาจารย์รองท่านสนใจด้วยท่านเฟซบุ๊กกับไอโอบามาทุกวันด้วย เขาขอร้องวันละอย่างน้อยสามครั้งจาน ร, รงนนนนครเร์เนี่ยท่านเขียนเขียนในคอมพิวเตอร์เขียนส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาเขียนเฟซบุ๊ก <c oughs> ท่นานบอกบางอันก็ต้องโอ๊ยบางคนดู <S <s เขามีดิกด๊กกด <c oughs> ได้ฟังได้เป็นเสียงกันอะไรนะรมดิกเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมากเลยนะสามนั้นเป็นเงินเป็นกดหาไอเจ็งซื้อไปให้ทั้งหลายอันแจกไปแจกมู ดิคเกรเารีเป็น computer, กดเอาเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆอาจารย์นรงท่านฝึกจนจนจนจนเป็นที่ปรึกษาของอบามาได้เย้ย อ, อ่ารยนรงอ่าเก่งนี่ <c oughs> แล้วท่านสนใจตั้งแต่สมัยท่านไปเวียดนามด้วยท่านเป็นทหารเวียดนามท่านผ่านผ่านศึกเวียดนามเลย เขสนใจแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่กับพวกฝรั่งพวกทหารฝรั่งมันเลยเปลี่ยนสนใจนักศึกษาฝรั่งตรงนั้ น, น, น, นชอบดูชอบอ่านฟังแลได้หรือไม่ได้ไม่รู้น่อมันฟิตฟิตฟิฟิตกลางกลาเราเนี่แหละนี่วันที่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยเจะย้ายมาที่วัดเทพิทักปุณารามเนี่ยที่ปักชองสิบห้าวันเสร็จแล้วก็จบ ฝึกทำมาทูดสมเดือนไปที่นครสวรรค์สิบห้าวันมาวัดเทพพิทักษ์เนี่ยหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปนะหลวงพ่อพะ พ, พ, พ, พ, พ, พุทธรูปองค์ใหญ่เรียกหลวงพ่อขาวมันป่าแถวนั้นเป็นป่าเอาเป็นเอาไปนสนามฝึกไปฝึกอยู่ที่นครสวรรค์ยัยงไงไม่รู้นะไปฝันไปตัดไม้อะไรยังไงไม่รู้เนาะมไม่พายทิ่มตาอยงนั้นแะล้วไปทิ่มตาเสี้ยนมันหักขาดอยู่ในนั้น ทันนิคมต้องบอกให้พวกหมอที่นูน่นที่กำแพงเพชรมาดูให้นี่ได้ทันนิคมเป็นอุปถานอ่าถ้าไม่มีทันนิคมคงจะคงจ ะ, คงจะเปิดกับวัดตั้งนั้นแล้วก็สู้สู้จนจบโอ้เกง่งเนีย